อือทุกข์ใจร้อนอืมบางคนมีปัญหามากบุรุษปัญหาเขาน้อยปัญหาน้อยบุรุษปัญหาน้อยอรัญญโกนี่ปัญหามากสงบเดียวแล้วมีปัญหาคิดไปยอยู่แล้วแล้วก็วิ่งตบตบตๆตบตแล้วแลก็มันก็หมาบ้าเลยดึ เงนมามาบุรุษอางเขามีมีปัญหาน้อยเจ้ก็มีปัญหาเล็กเน้กยะแตแกเอาอีกไปด้แกเอาอีกอรัญญโพลสงสัยกำไรสาสัยยังสงสัย่นนี่นู่นนี่่นนี่นี่นี่นนี่ แก้ปัญหาลูกกิดไม่ได้หรือวอรปัญโยเลยอยู่แก้ปัญหาแล้วมอวทานิสัรเบี่ยนบางครั้บางคราวมีอารมณ์หรือความรู้สึกเกิดขึ้นมา ให้เราตกใจเตืนเต้นและความรู้สึกอันนี้มันมีพลันเจ็บมากและทำเรานึกถีดมันจะเ็นมากและกลัวใคยๆ ว, ว่ามันจะโตเขียวอะไรอย่างนี้ครับทำไม ก็มันมันทำอย่างไรมันเป็นอย่างนี้ถ้ารมีสติดีอยู่มันก็กลับมามันเป็นบกกลับมาักกลับมาตอนนี้คล้ายเรานั่งอยู่เงี้ยสงบอยู่ลูกตาลมันโดดลงมาหาใจไหมตั้งโอ๊ยจุดมันกลับมาได้้าใจไหมมีเราตั้งสติดีมันต้องมันจะรุ่มทุกคนมันจะรุ่มทุกคน แต่วันนั่งสมุทัยคือในเวลานี้มันสติมันอ่นที่สุดนี่เลูกตามโดนปดปุ๊บหยุด้วมันก็กลับกรรมาที่ของมันได้มันไม่ผิดอะไรมันไม่เป็นไปเลยอย่างนั้นทีนี้เราจะต้องนั่งแน่ในใจระว่าไม่มีอะไรจะทำให้จิตของเราเสียหายไปนอกจากจิตของเราทำเราแล้ว ไม่มีอะไรจะมาทําให้เราเสียชีวิตไปในทีน่นี้นอกจากจิตของเราจะมาทําตัวของเราแล้วเนี่เสียจิตไปได้เนี่ยล้วต้องสั่งอย่างนี้ได้การใจมันก็มีกําลังขึ้นไปสิ่งทั้งหลายตั้งห่วงนั้นจะมาทําอะไรเราไม่ได้นอกจากจิตที่คิดผิดเท่านั้นจะทําเราให้เสียหายได้ เราต้องรู้อย่างนี้ก่อนไว้เป็นพื้นเพมันเป็นพื้นฐานที่นี่เมื่อเราเราก็พิาจารณาไ่เรื่อยเมื่อเรานั่งไปพิจารณาไปบางทีมันยุดไปตกใจไปอย่างนี้แต่ถ้าว่ามีมันมีนิมิตอะไรก็ช่างมันเจอมันมีอารมณ์อะไรก็จะมันลุบไปอย่างนี้นตแล้วก็รึกได้ทันทีเลยว่าอันนี้มันมีอันตราย มอันอย่างลูกตาลมันโดนแล้วปุ๊บต้มเหนส่ใจแล้วมันตั้งอย่างนีมันลูกตาลโดดมาพลึกอารมณ์มาถึงมุ๊บกกลับขึ้นมาได้นี่เรียกว่าดีแล้วมันต้องตกตระึงพระพุทธองค์ก็ตกตระึงมานเห็นไหมละแต่ว่าท่านกลับมาที่ของท่านได้ อันนี้เมื่อเราจะทำมสมาธิหรือเราปฏิบัติเราต้องเข้าใจไม่ในใจของเร า, าเสมอวาอ่าอะไรจะมาทำให้เราเสียหายไปไม่ได้นอกจากจิตที่คิดผิดของเราเท่านั้นจะมาทำเราได้ทีนี้จิตมันก็อยู่ที่เราแล้วก็รับรองจิตของเราแล้วลมีสติอยู่รู้อยู่เสมอแล้วมันก็มันเป็นเฉพาะจิตอาการจิตเฉยๆเ่นั้น ถึงแม้มันจะรุ่งปุ๊บออกไปไปต้นมั น, มนตั้งเลยมันจะรุ่งปุ๊บออกมันก็ต้องประมานี้มันพุ๊บมันไปเล ย, ยไม่ได้ตั้งอย่อยูปุ๊บออกมามือเข้ามาตรงไอความสรุ่งเป็นทุกคนความสรุ่งเป็นทุกคนพวกท่านทั้งหลายนี่เขาไปไประช้าตัวบางไหมนี่ผมแล้วแล้วก่อนรุ่งพ่อมาผมกําลังจะให้ผ่าน<อ>ทางเรื่องจงกรมเงินที<อ>ทำนเสริญไปเอ มียมไปมากมากครับมีมีมีความกลัวมากหมมีความกลัวบ้างไมไปประชาพกกันได้เด those, <c oughs> those of you ever gone to the to o r cemetery down here or have ever gone before do you have fears or uh, afraid when you go down there those that have gone <Yeah. S 1> <Huh? S 2> มีมีความหวาดเสียวหนึ่งไหมมี มีเลอมีผีไห ม, ร, ไมหรู้อะไรแต่นี่มันโกโหกนี่นี่แหละเข้าใจไหมนี่มันโกหกของเราเองมันเป็นสัญชาตยานของมันอย่างเรานั่งอยู่ปุ๊บมันตกใจมีอะไรปุ๊บมันเป็นสัญชาตยานของมันแต่มันรู้แตามันกลับมาได้อันนี้ก็มันรู้ว่าผีไม่มีแต่กลัวไม่รู้ว่ากลัวอะไรก็ม่ดู มันกลัวอะไรนี่แน่อย่างนี้แหละนี่แหละมันความจำเป็นของมันเนึ่อว่าไม่มีผีแล้วก็กลัวอยู่มันมีคลงกลัวปราชาทุกครั้งทุกคราวไปที่ไหนเป็นต้นเราก็มีกลงกลัวอยู่อือคือเป็นสารชาติตยานของจิตนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งที่เราปฏิบัตินี้ครับ คือมันลุงพ่อไม่ให้จุดจองนั้นไม่ให้หยุดไว้ก็ถ้าหากว่าเราเห็นว่ามีประโยชน์เละจะวะดสิจารณานะมีอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรนี้ก็ทำได้เหมือนกันได้ได้มันมีหลักพอ มันนี่แหลอย่างนี้นิดเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะปล่อยมันไปเลยนะแต่เรามีเหตุผลอยากจะพิจารณานี่มันคืออะไรเราจะเอามาพิจารณาได้ยกเป็นมาพิจารณาก็ได้อืมแต่ว่าอันใดก็ตามมันนะเราจะกลัวคือมันมีเหตุเกิดขึ้นมาในลักษณะอันใดที่เราภาวนาอยู่มันทําให้เราตกใจอะไรใจอย่างนี้เป็นต้น พอพอรู้สึกพุกเช่นนั้นก็ให้กับพวกเข้ามาดูจิตของเจ้าของให้เป็นสมาธิก่อนอย่างนี้นี่อย่างนี้เห็นสิ่งที่น่าหวาดน่ากลัวอารมณ์ทางไหนมันใจสัน่นไม่ต้องตามมันออกไปให้น้อมเข้ามาดูจิตของเจ้าของว่าจิตของเรามายุรษะอย่างใดในเวลานี้ทางน้อมก็หายออกไปอเออเช่นว่าเรา พอมีปัญญาจะต้องพิจามันแล้วมันเป็นประโยชน์นั้นเราก็ไปพีญามันก็ได้เช่นว่าร่างกายแล้วนี่เป็นต้นทั้งหมดนี่คือร่างกายเราเบื่อมันแล้วเราเห็นว่าร่างกายมันต้องเกษาโรมานะคะไม่ต้องซอกมันออกมาก็ได้คือในก้อนมีเบื่อมันแล้วว่าอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันรวดเป็นอนิจจัง ทุกครั้งนะ่ยตาเต็มอยู่ทางพื้นนี้แล้วเรากไม่ต้องสอบออกมาเลยนด้ถ้าเรามีความสงสัยอยู่ต้องพิจารณาออกมาพิจารณาร่างกายของเรานี้มวมือจิตของเราจสบองเราพิจารณาออกไปได้มันจะพิจารณาไปมันแน่นอนไปก็ได้หรได้ทำให้มันชัดกับไปก็ได้มันมีประโยชน์ฝึกนี่แต่ว่าค่อยๆว่าอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ แค่แคว่าทำสเสียงเพ็้ยน่คุอมิโทะเคยไปบ่อยๆนะคุมิโทะพระารากรเคยไปบ่อยๆเบืออ่อแล้วสำเสงเพี้นี้ทีนี้พาเลื่อนขึ้นไปเพื่อนว่าท่านอาจารย์พระปารากรพาผมไปเที่ยวเขาเพือไปเหรอ <laughs> ไปเหรอขี้เกียจไปก็เราเห็นแล้วอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเราอยากจะให้เพื่อนดูเราเดินไปก็ได้มาสักไปเที่ยวไปแต่ว่าตามลำพังเรานี่เราไม่อยากเห็นเน้เพราะเราเห็นจนเบื่อใช่ไหมที่เราไปนะั้นเราไปเพื่อคนอื่นเขาเพื่อเขายังไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้นก็ไปแต่จิตของเราที่เห็นแล้วนี่ก็ไม่ต้องอะไรอันนี้ก็เหมือนกันฉันได้เมื่อเกิดกมาผู้ไม่ตองพิจนาเนี่ยพอเราพิจณาแล้วก็ไม่ตองกระได เราอยากจะพิจารณาอีกมันแยบใครกันไปคนนั้นก็ได้จะพิจาจรณาก็ได้หรือไม่พิจารณาก็ได้อยา่างนิดๆเกิดขึ้นมาเป็นต้นเราจะดูมันไปก็ได้นะดูมันไปดูมันไปเปรียบเทียบไปถ้าเรามาถ้าเราไม่อยากจะดูมันก็ทําไม่เอาใจใส่นั้นก็แล้วได้ถึงนั้นอย่าให้เราหลงถึงนั้นเรื่องปฏิบัตินี้ย ไอ้ความสงสัยนี่โอ้ยผมมันยิ่งตัวไล่ความสงสัยนี่ผมมันยิ่งตัวไล่ เ, เขาสงสัยหลายจนว่ามันสงสัยมากเกินไปเลยผมจึงไม่ได้ถามใครให้มันตายอยู่เนี่ยโดยมากผมผมปฏิบัติเนี่ยปฏิปทาของผมเนี่ย อย่ในกันเซนสองสี่สามสีไม่รู้แต่ผมรู้จากสัน ต, ะตะกิโตนะผมรับรองว่าใครทุกๆคนนี่จะรู้สันติโตะระยากเนี่ยก็สันติโตนี่เป็นคนมีปัญญาแต่ว่าคนดูยากดูไม่ได้บอกเชมอัตโมเขาบอกอยู่เดียวกันสันติผมไม่รู้เรื่องไม่รู้สันตกิโตนี่เป็นคนมีปัญญา แล ะ, ะปีที่โยแม่ผมเสียไปนั่นนะ่ะเลี้ยก็มาทําเอาไม้ไผ่มาสารสารฉลอบทําเป็นภูเขานะผมก็อยู่นั่นแหละแต่ท่านก็อยากมาสารฉลองเหมือนเขาท่านก็มาทำเขามาสารฉลองเขาตอกมาสารฉลองกับเพื่อนเพื่อนเพราะว่า เคยสารไหมไม่เคยสารวันนี้ผมจะบอกไม่ต้องบอกผมอ่ะเนี่ยอันเนี้ยเท่านี้ผมก็ชอบใจผมแล้วอะ่ะไม่ต้องบอกผมเนี่ยถ้าไทยจะไปบอกก า, าต้องทำไม่ไม่ไม่ไ ม, ไมพึ่งบอกผมเลยให้ผมทำเองดี ก, กว่าเนี่ยการตี <c oughs> คิดตัวนี่มันก็แปลกไอ้คนเราทุกๆคนถ้าไม่เป็นชอบอยากจะไปให้คนอื่นบอกเร็วเ็ว สันดิจิตูนี้ท่านหม่ออย่าบอกผมหรือย่าบอกผมจะตำเบียนเลยท่านี้ก็เห็นได้แต่ว่าซึ่งเป็นวัตถุภายนอกก็จริงคือหมายความว่าอันนี้มันในความเห็นของท่านมันมันมันใกล้กับความเห็นของผมออันนั้นท่านสารฉลอมอผมเป็นคนภาวนาท่านก็เอาจอกนามาสารทำ ดูคนนั้นดูคนนี้ทำไม่บอกใครมาบอกไม่บอกผกไม่บอกผมไม่ต้องบอกแค่คนจะใช้สมองของแกนี่ทําเป็นอีกเป็นนี่เรียกว่าไอาการสารลอมเป็นนั้นมันเกิดจากไอเดียของเขาเองอืใช่ปัญญาของเขาเอง เขาเลยทาเองรู้เองเห็นเองดีกว่านี่ฉะนั้นสันตกิโตนี่จึงเป็นคนคนดูายากคนอื่นดูยากสันติจิโตคนอื่นดูยากอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันสักปีสองปีไม่รู้ว่าสันตกิโตเป็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องมาทำอย่างไงก็ไม่รู้เนี่ยเ้ใจไหม ชันตัจิตโตนี่เป็นผ้าทีแปลกมากเป็นผ้าทีแปลกมากแต่เป็นผ้ามีปัญญาเนะ่ะต้องพิจรารณาถ้าเหตุอะไรเขาเกิดขึ้นมาสั้นติจิตโตต้องคิดเป็นคนคิดเป็นคนหาเหตุผลมาก บางทีไป้าผมแกไปนั่งอย่างนี้ต่นได้ยินตัวนะถ้าบางคนไม่รู้จักก็เรียกว่าบ้าอะไรอย่างนี้ถ้าคนไม่รู้จักแก่าบ้าบางทีก็บางทีก็กินข้าว บางทีก็กินข้างเหม่อเหมือนกับงูท่านจะเกิดเป็นงูก็ไม่รู้สมัยก่อนเป็นงูหรือเป็นพญานาคแต่ว่าคนอื่นพมว่า มองเห็นท่านเนี่ก็นึกในใจว่ามันเป็นรุประาศอะไรทั้งหลายนี้แต่ว่าทัศนคิจตไม่เป็นคนอย่างนั้นนะไม่เป็นคนอย่างนั้นเป็นคนดูระยากทัศนคิจตัวนี่เป็นคนมีปัญญานะใจกําลังใจเข้มแข็งด้วยจะเกาะเด็ดขาดนะครับทอะไรไม่ต้องพิจารณาง่ายๆต้องไม่ต้องทำอะไงต้องพิจารณาอยู่นั่นแหละอ่า ที่นี่ก็สันตกิตโตนั่นนะไปย่งบ้านปีนี้นะนะไม่ได้คิดว่าจะอยู่โน้นแกก็เตรียมเครื่องบินมาเราจะเตรียมเงินมีแล้วนะแ ก, จ ะ, แกจะมาลงนระจะมาเมืองไทยแหละผมก็คิดว่าจะเอาสันตะิตโตอยู่อยู่นี้ไม่ให้กลับบ้านคนะุณโทรแม่สมัทยที่เกิดสันตะจิตโตนะเทียมตะโมอนันโต ไม่รู้เรื่องกันนะะจะจะยากสันกิโตยอยากเขาคอยดูอยู่พอมาถึงก็ผมก็ิถามว่าสันติโตนะคิดให้ดีนะอีนี้ผมจะให้ทันอยู่ที่นี่ไปอยู่ปารีส <laughs> สันติโตนะตนะี่ั่นน่้ เหมือนงมเหอ่ะอืมแล้วก็อืมแม้แตบางทีก็บอกเลยสมมองดูหน้าผมขึ้นตกลงเอาภาษาหนังสือภาษาฝรั่งเศสมาเรียนเลยครับผมไปก็ได้ผมมาไม่ยากไม่ยาก พอดีมาไปนิดเดียวฮะไปเลยไปอยู่นู้นเนี่ก็ดีเนี่ยนิดใสเป็นพวกท่านเคยเห็นไหมเคยนะ <c oughs> เ, เคยรู้จักสันติจิตตัไหมพุรุษเออสันติจิตตเดินก็นเดินเดินที่หยุด ไปอยู่ไอ้ําแสงเพชรไปบินธบาทเดินเดินเหยุดเดีวก็เดินช้าโยมว่าพอเห็นสิบาทีวิ่วิ่งเลยวิ่งุบตุุหยุดจุบ บางทีก็นั่งลงนั่งนั่งลยมเพราะว่าท่านจะไปส้วมปวดท้องจะไปส้วมวิ่งไม่อยู่เพราะมียิงไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> เป็นคนเป็นพระที่รู้ได้ยากถ้ า, าว่าไปที่อื่นคนจะมองท่านจะรังเกียจทันด้วยไอเพื่อนเพื่อนจะอายก่อนนะบางทีไ้ขึ้นธรรมาเจ๊กเหรอ ขึ้นธรรมะเทศนะแต่ว่าท่านมีเหตุผลของท่านดีมีปัญญาดีดแต่คนดูยากอ น, นันโทโอไอวีราาัเอ้ยเทียมาโทก็อยู่ด้วยกันไม่รู้เพอ น, นันโทก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าท่านจะจิตโตเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่ดูเรื่อง <laughs> นี่นิสัยของคนเป็นอย่างไาน แต่ท่านได้พิจานาติดอะไรแตบทุกข์นะปฏิบัติทุกข์พิจนาถึงจะไปบ้านเท่านี้ก็ทุกข์ไม่นอนแต้องพิจรารณาทุกข์นี่มันเป็อไรอย่างนี้บางคนก็หลอกคอบหลอกฝ่ายได้ท่านมีกําลังจิตหรือมีปัญญามีสัญญาไปแบบนี้กล้าหารด้วยมีกําลังจิต ด, ด้วยที่นี่ ดูว่าจะดีขึ้นกว่าเก่าเลยนี่ไม่ค่อยคิดมากที่กลับไปบ้านมาแล้วนี่คือจะไปบ้านแกคิดมากยิงเกินไปนึกว่ามันจะยากนึกว่ามันจะลาบากนึอว่ามันจะเสียพระนึกว่ามันจะอะไรต่ออะไรวุ่นวายเลยเมื่อไปถึงแล้วใส่ความคิดไว้มัเปล่าไม่มีอะไรเนี่ยก็เลยไม่อันนี้มันเป็นของแม่แน่นะมันเป็นแตสัตว์ว่าแต่เราคิดขึ้นเท่านั้นนะนี่นะ วุ่นวายแต่ก็ได้กาลังใจยอย่างนี้บางคนก็ปฏิบัติสบายสบายบางคนตัปฏิบัติยากเห็นได้ง่ายบางคนปฏิบัติลาบากก็เห็นได้ยากอืเป็นอย่างนี้อืนิสัยของสัตว์เป็นอย่างนี้มีต้องเคยพบมาหลายคนแต่ค่ายกระโดด ฉันแต่คิดตัวนี่ไปที่ื่นเาบอกพระเป็นบ้าล้งนั้นดูกิริยาเขาคยบ้าเป็นโกาาุกวาศาสตร์สเสรไปแล้วแต่่าท่านยังดีนะไม่เป็นอะไร่็โทตัวเรื่องดีชอบอยากจะเห็นด้วยตนเองถ้าไปจำภาษายู่ที่ไหนจะอาวาดไม่สบายใจ แกไปถามหมดเนะอืะสงสัยที่ว่าอาจารย์คาอาจารย์คํากตัวเลยถามด้วยเนี <laughs> <laughs> ถามมาความจริงเลยนะเหนื่อยเรื่องเราถามแล้ไม่เถียงนะถามแล้วเรนะ า, แ, า แ, แกไปกฟุ้กกันเฉยนี่เอาไปพิจารณาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่มี เราทำทำเราเก็บไปเก็บไปวรวมรวทียเนอ่ท่านได้กินตัวตนี่ครับพระปาราโดไครบวชก่อนข่ทันบวชก่อนทันบวชก่นอนเน่บวชเป็หลายภษาดีภาษาเนี่ยท่านไ้กินตอ่าครับนีเป็นหกเป็นหกภาษาน่พจะ ท่านเอง้องก็พอมีเป็นเน่นด้วยกันทาแซงเพชรนีนั้นลอกพันศาทนก็อยากรีบบวชน้อยนะทุพอดีท่านอ่ิยมแตลงข้อไปบวชที่กรุงเทพลงข้อก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อพออายุห้าพันานั้นท่านก็เลยเข้าใจว่าถ้าอายุห้าพันศาต่ถ้าใคว่าหลวงพ่อจะอนุโมทนาให้บวช ท่านก็เลยไปบวดบอ น, นบแล้ ว, วก็พวกเขาบวชทีหลังบวชก่เข้าพรรษานต่เคสมาธโมนี่จะสึกแล้วจะสึกลำสําเร็จยานอยากสึก ส, สึกสันเสกพรพรรษาน่ะผมอยาอยูส่สักพรเถอะไม่ได้อะไรก็อยู่พรรษานี่สักหน่อยเพราะเขาจะสึกตายอยู่เนี่ยมันจะสึกที่ก็ได้สึกลำสําเร็จยานทาัน้งวอดกันได้ แต่องค์ความร่างออกพรรษาก่อนประพฤติค ด, ดีฝึกในพรรษานี่ก็ไม่คดีชาวเมืองไทยนี่ถ้ารวัดฝึกในพรรษานี่ก็เรียกว่าพระไม่ดีพรารวะามาแต่งงานในพรรษานี่เขาคารวะไม่ดีภาษาในไทยอยังอย่างพระนั่นก็เรียว่าพระพระแขก นี้ไปในภาษาในหลวงพระมิใช่ไหมเขาเปลี่ยนหนังสืมาผมนะโอ้เขาคอยเลยนะท่พระอานี้เป็นพระไม่ดีเคยเป็นนักเลงมาแต่ก่อนครับกรมสภูนั่งกรมอัตราความโปร่งก็เลยตรวจตาดูแน่นอนวัดนี้มาตรวจตาดูถามแนะแนวเลยครับพระอาค์นี้ขีดเฮโรอีนเขามีร่างกายหรืออะไรอะไรหลายๆอย่างนะเป็นนักเลง บอกผมวนันเริ่งการผี่ฮีโรเวนนั่นที่เขาเนร่างกายเนียด้วยผีต้งเ็โลหิตเต็มิไปทาไมเราเกิดปีนีนั้นเน่ถ้ามียงคการพวกกินกินกินฮีโรเวนรับนไปทำนั้นมันทามาแล้วมันเสียเสียมันหยุดบ่ได้แต่ว่าท่านเรายูเกน ถึงเป็นภาษาถึงเป็นยังไยในนี่เนะี่ยมันบดขยึดอารมณ์ทความาก่เาเกิดเกิดขึ้ น, นยยกันใหญ่ตามมันลอยอย่างนึงก็อยู่สบายทุกคนนะอุปโนอยู่สบายแล้วน ะ, อ, ะองค์นั่นที่ไหนองค์นนะั้นบวชใหม่ๆกับหลวงพ่อผงนี่ครับเนี่สมุทโตฮะคือว่าอมุทโต ามุตโตพมุตโตพมุตโตใจดีไหมดีทำทิดถึงม้านตัไม้เนี่ยัดไม้แล้ปูนทำท่านเข้ามาเด้อทำอาน้ด้เด้อทำคุตีโนนดีด้วยออคดีมีหลายอย่างคดีต่างกันบางคนก็เป็นทำหนังสือบางคนก็เป็นไม้บางคนก็ ทำความเพียนไม่เป็นไม้ก็ไม่เป็นปูนก็เป็นอะไรก็ไม่เป็นแต่ทําความเพียนเก่งนอเบลดนั่นก็ทำความราักษาทาอะไรยังนไงก็บุกค่อยดีแต่ว่าทําความเพี้ยนเก่งใครนอเบิดเนี่ยเขาเพือนนั่นจนะให้เขานอเบลดนอเบลดเป็นไง่ายสบายไหอ <c oughs> <c oughs> ยังไม่อยากสิ้งเลยยังว่าจะดีกว่าเอ๊ะนั่นันสว่างยังครับแม่ยัไม่ทิ้ดปัน่ทีก่อนเธอมันบุญวายชื่อตัวแรกก็บุญบายผมไปดู ดูไอ้กงดันดอนมาดบุ่นไหวยิย่งเดี๋ยวนี้พอผู้หญิงเขาขอเอานาจขึ้นสูงกว่าผู้ชายผู <c oughs> ้ชายตงองนี่กลัวอะไรเดีผู้หญิงมันขึ้นสูง ก, กว่าฮะดูจากวัรยรุ่นโปกนานหลยวัยร่นโป๊เึกไปตรงยืนนี่เข ทางตกวงผมว่าไปเลยเ น, นี่ยนี่ผู้ชายมีอำนาจไปได้เลยนะผู้หญิงเขาถืออำนาจสูงกว่าชาวพมิยีโรมผู้หญิงก็ขึ้นคือผู้ชายต้องลงนี้ก็่าลงไปรู <c oughs> ไมไหมลงนี้ได้เด็ดเอยผู้ชายกลัวล้ะลงนี้ละ ไอ้ไม่เจอรี่เฮระวังดีๆนั่นนะหลบตัวเสียที่มณงพ่อขับอยู่ยังน้อยจะสองคืนนะที่มนอยู่จะสองคืนไม่จะอยู่สี่คืนให้อยู่สองคืนเท่านั้นเลยใหญ่ว่ายังน้อยยังน้อยก็พากาะโลนไล่เราเลยเนาะ แล็กน้อยอบาอยู่จ็ดสี่ห้า 4, 5, คืนแล้วปารกโรให้อยูองคืน <laughs> <laughs> ไลนะ่เล็กน้อล้วด็กโตเนาะเออแลกกันนึกว่าจะดีใ จ, จใ้อยู่ได้หลายคืนเน้วให้อยู่สองคืนที่น่เน ปีน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี ay, ้ที่สิวัตรน้องประโกงพอสบายก็น้บก็พอสบายไม่สบายนิดหน่อยกับแกรัญญโกไม่ไประาะก็บใครทะเลาะก็คนทะเลาก็บเจ้าอ ทะเละทะเลระกับเจ้าของเออทะเลาะเองเจของไม่ไม่ทะเละกับเพื่อนคนอื่นทะเลาะเองทะเลาอกันที่นี่เราขังเลยนะขังไว้ในวัดปะโปมันไหมันหมดขังไวนั่นทีนี้พุกนีดห่อย ที่ะเลมามาเที่ยวใหม่ใหม่มาอยู่สบายเดียนนี้อยากจะไม่สบายไปดีแล้วมันอห้าภนษาล้วก็ยังไม่รู้เรื่องไม่สบายในภาวนาจิตของเรานี่เป็นของสุดยากอ่มไอออย่างหนึ่งมันอความเห็นของเราอย่างหนึ่งมันไม่ถึงไม่ถึงความจริง หรือความเห็นเนี่ยจริงก็มันสูงกว่ามันไม่เหมาะสมกันไม่รมดุลกันมันจึงลําบากมากทุกผมก็เห็นใจนักปฏิบัติที่ทุกข์อยู่แต่ว่ามันมันไม่ทุกข์เรื่อยๆไปหรอกเดี๋ยวมันก็หายมันหมดเป็นทุกข์มันจะสมควรให้มันมากและไนายมันน้อยถ้ากําลังไม่เก่งเอายากเหมือนกันอย่าคิดอย่างเป็นนักงวชทุกข์ร้ายนี้ดีกว่าตอนคนจะรู้เรื่องนะ นนะเินงาผมก็มีสันอ่ผมมีสมุตโตสมุตโตปีในสตูข้าหมือกันกยข้ามานสองวันสามวันครับมีวันของนาเดินกันมาผมดูหนะ้าตกตกตัวมันรู้ตัวทำไมเนะี่ยข้าผมมันมันสันข้ามาสามวันเปนะ็นไงเนี่ยทำไม ข้างบนใหญ่คนตายมันจะทุกข์อย่างนทุกข์กินคนนี้ทุกข์จนตายอย่ากพ่อย่ า, า, ยยยาทำงานดีให้มันไปเถอะพอสมควรพอแล้วพอผมพูดจบไม่ตั้งอะไรมันแอกฉันนี่มันก็ปวดเลยมันก็นอนยังก็เลยฉันตัันเอดวัน เ้าจะคิดว่ามันเยา ก, กดอาหารนี่จะสบายไง เ, เรื่องไอ้ความคิดเนี <c oughs> โอ้มันหิวเปือไเดินขึ้นเขาไปไปม า, มาลำบากแล้ามานั่งนวนหลวงพ่อคนจะตายมันทุกข์มัทุกข์ยิ่งกว่าคนอดอาหารนี้คนจะตายมันมันทุกข์ยิ่งกว่าคนอดอาหารนี้อันนี้ไม่ได้โนโตโทาผิดน ะ, นะแก้ใหม่ ฉันมันไปให้ฟรีฟรีฟ ร, ร, รีไปไปทำเงินเลยสับชกเส้นดูเพราะอาหารคือเรื่องว่าเขาไปฉันอาหางคือเขาท ร, รมานมันมันดีสมมติโตที่ไม่ดื้ อ, อร้ายเม่ค่อยดื้อ ไ, ไปท ร, รมานมันทาไมคนทนึขโมยทาไมไปจับเขานะ่ะคนชื่อ ส, ส, สา์ไปทำายเขาทำไมไปเดียดเยน็นเขาทาไมจิต น, นี่มันสบายว่ายังไปทามันอะไรจะเอาอะไรกับมันยาย อันนี train, okay. oh ้โง่ไอ้ความคิดมันโง่ควคิดของเราเนี่ยเอาใหม่บางวันฉันมองวันันีกว่าดูอเออเอาเอออาจารย์อาจารย์หรือกปล่าจำองในท่านวาจะพูดคำหลายเว้ยครับนี่อคำเลยเอาจ้ะาจ้ะีหมดจ้ะเละเออ มีสนะออกมานั่งถยมามี่าันมาเองส้วายนมาเยนทางที่ดีๆ่ไม่รูายอมานั่งกับมีนนยเรือเป็นนี่ลังเต็มหมดนั่งกับมีถายกันมาถากัมาทั้งนี้ั่งสามแวก็ได้กัมาสามแถวนีที่มนั้นไปหรอไม่้ดับนเอแต่ยเข้ามาในที่่อนที่จะนั่งก้น้ นี่อี่ได้นี่ได้นี่ตองได้อ่าตองได้พอได้เอออืมอืมเขาบอกให้มากเนาะตาหนี่แล้วเขาสบายเขาบอกให้มากเขาอยากมันสบายอืมมากจริงมากงานนั้นมันแรงเนี่ยคนมืโตเด็กโอกาสอือ ค t ณไผ่ืนซึ่งอะก็ขอเงินโยโยมาจากไหนโรงพยาบาลไหนพยาบาลปะจำจังดน s ้ใช่มอ้อาฉันไมได้มาอยู่นา น, านเนี่ยอือประกอบอะไรเจอเป็นงานประกอ บ, ะบ อ, อ ะ, อะ S 1> <S 1> โอ้ยนั่นมีอย่างเดินเดียวเดวครกบครับรวบอ้งะไรมั่งนันน่อืออ่าเป็นไนบ่อย่อ่อนมันที่อยากเป็นเนี่บนอกอกนันมากูภาษ า, าบ้าต่อหูเรื่องกันดวย คนน่ะมันอาศัยการป่วยกำลังมันลดลงลดลงลดลงลดลงเลือด้งมันก็ไม่ริ่งชะมั่มเสมอมันอาจเป็นได้มันเกิดี่ตกวิจารในหลายอย่างในทีในทีในทีน้าในทีน hmm. ้าฮาวฮาอู อหลวงพ่อมาแล้วก็สบายใจที่กายไม่สบายก็จำมาเถอะ2 4หลวงพ่อ4ระดับยันต์ที่ยัน้์หลวงเนี่ยจไว้น้ํามันจะท่วมบ้านเราเราเรามันมีความสามารถจะห้ามไม่ไปมันท่วมมันจะมันท่วมใจเราไฟไฟมันจะไหม้บ้านเราเราพยายาม ชุดทีสายแล้วก็ให้มันไหม้เลยครอยาให้มันฟอยไหม้ใหญ่เราเพราะตะคำจนเต่าเสียห้าแล้วน่าจะมีเป็นรูปแบบที่ไม่สดายมันเกี่ยวกับจิตมากเนั่นแล้วเป็นทุกข์เพราะอะไรดูั้ม <Why S 2> มันทุกข์เพราะ <is you, S 2> อะไรวายุสาวงเป็นิุติวะนั่ น, นแล้วพยายามลดความคิดหงความสุขอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าคิดไม่หยุด ความสุขไม่มีเราอยากจะมีความสุขเป็นต้นเอาความคิดนั่นให้มันเบาออกไปนะมันอยู่ตรงนั้นแหะถ้าคิดมากๆ ก, ก็ทุกข์มากเลยถ้าไม่คิดมันนะ่ะทุกข์ความสบายอยีู่่้นเขาดังใจทุกวันเขาใั่งใจลองแล้วมันไม่ <c oughs> <c oughs> อย่าตั้งใจเกินไป ตั้งใจเกินไปก็ยิ่งทุกข์มากมปล่อยมันปล่อยมันไปตั้งใจอย่าไปตั้งใจเกินไปปล่อยมันเฮ้เข้าใจจิตนึนกว่าจิตเราเป็นทุกข์ไม่ใช่ผิดหมดจิตไม่เคยทุกข์เคยสุขเลยเกิเลสกิเลสมันพาเราทุกข์สุขจิตไม่เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรโลกิจิตเจ้าของ อืไม่รู้จิตจะของจิตมันจะทุกข์อะไรไม่ต้องทุกข์จิตไม่ทุกข์เราคิดจิตมันทุกข์ขึ้นมาเพราะคิ ด, ดแต่นั้นไม่ใช่อะไรจิตไม่เป็นอะไรจิตสะอาดมันใบไม้เห็นไหมใบไม้ปกติมันใช่มีปกติใบไม้มันเช่บางทีมันกวาดแรงอย่างนี้เพราะอะไรเพราะลมไม่ใช่ใบไม้เพราะลมมาทํามันอย่างนี้ ถ้าไม่มีลมมันใช่สงบเลยจิตเราก็เหมือนกันเนื่อว่าจิตเป็นเรื่ทุกข์ไม่ใช่คิดผิดแล้วจิตไม่ทุกข์เราคิดให้มันทุกข์กันมาใช่ไหมกิเลสกิเลสะคิดไม่ดูไม่เน่เอ้ามันต้องการปฏิบัติต้องั่งตัวออกจากจิตจิตแท้ๆมันไม่มีอะไรมันสบายถ้ามันไปสมประสมแล้วเรื่องอะไรต่างๆมัน่เกิดมาเหมือนใบไม้ลมมากระทบมันฝัน ดีไม่ดีใบมันร่วงไปกิ่งมันหักไปต้นมันโค่นเลยทั้งหมดก็ได้เออถ้ามันแรงหนันี่คนคิดไม้ทีนี้หลวงพ่อมาอบอุ่นแล้วคิดไม่ผิดนะภาวนายังนีิดนะ้ถ้ามันถูกเราคิดมากี่ปีกี่วันมาแล้วมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนั่นคิดว่ามันผิดแล้วทําไมตัวนิดเดียวทําไมคิดมากไออาจารย์ก็เทศเก่งเหมือนกันแต่ดูสิฟังในเก่งเลย เนี่นี่เขาเรียกว่าหน้ามือนี่เรียกว่าหลังมือลูกศิษย์อาจารย์หน้ามืออยู่ตรงนี้เมือ่อความลงหน้ามือตรงไหนไม่รู้เรื่องดูจิตหาไม่เจอเลยอาจารย์บอกพลิกขึ้นเราก็ไม่พลิกขึ้นก็เห็นได้หลังมือหน้ามือก็หายอยู่ตลอดเวลาคือความคิดผิดตลอดเวลาไม่เห็นชัดมันทุกข์ต่อไปนี้ต้องพิจารณาใหม่ไม่ใช่เรื่องจิต เรื่องความผิดของเราเท่านั้นในจิตมันจะเป็นอะไรจิตมันมีอะไรไหมมีตัวมีตนไหมมันจะมีมันจะเป็นอะไรจิตเนี่ยเราเห็นว่าจิตมันทุกข์จิดมันไม่ทุกข์ตัวเราเน่ะมันทุกข์เนี่ยไอ้ตัวเราเป็นตัวเรามันทุกข์ไม่มีตัวมีตนเรื่องจิตเนี่ยมันจะทุกข์อะไรเราเข้าใจผิดว่าจิตมันทุกข์อะไรต่อไะไรหลายอย่างอืเกือบประมาณไ่ทันจะทุกข์เป็นนานหนึ่งปีนะมีต้องพอมาทานี you know? ่น so ่ะ เราจะไปโทษจิตไม่สบายไม่สบายไม่สบายถ้าจิตมันถูกต้องมันสบายหมดแล้วจิตไม่เป็นอะไรจิตไม่เป็นอะไรเราไปเข้าใจผิดมันก็ได้ผิดไปหมดที่นี่ปล่อยมันจะไม่ใช่่าทาปฏิบัติไม่ใช่มาตั้งใจเกินไปตั้งใจเกินไปมันก็ไม่ถูกสูงเกินไปมันก็ไม่ถูกต่ำเกินไปก็ไม่ถูกมันพอดีพอดีพอดีมันถูกตรงนั้น เราก็คิดว่าเออปฏิบัติเอามันจริงจังมันมุ่นหวัยเนี่ยเกิดอารมณ์หลายมากขึ้นแต่วันนี้ต่อไปก็จะถ้ามันคิดหยุดบอกห้องพ่อว่าใครทุกข์ดูจิตห้องพ่อจิตก็ไม่ทุกข์คิดก็ไม่ทุกข์คิ ด, ก, ก, คดก็ไม่เป็นอะไรจิต ม, มันสกปรกจิตไม่ส ก, กปรกไอ้คนคิดแต่มันสกปรกปก่ไห แต่ให้โทษเขาหนให้ความไปกินโทษอยู่กับเราแต่ให้โทษเขาดีเขามันบาปมันเนี่ยเป็นทุกข์ถ้าถ้ายมคิดอยู่ยนี้มันจะทุกข์ตลอดเวลาเลยเพราะคิดผิดมันก็ทุกข์อย่างเนี้ยเราจะเห็นโดยมึงข้อมลุงก็มาเห็นนี่อาจารย์ว่าหน้ามึงอยู่ไหนอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ทางนี้จะเห็นใไอพิษขึ้นอย่างนี้อยいいอมไม่ยอมพิกขึ้นมาก็ดูอ ย, taxpayers. อย่างนี้ก็ไม่เห็นไอ้ความทุกข์ของมันกันอย่าง น, านั้นต้องเพียนาใหม่ ถอนความรู้สึกใหม่พิจารณาใหม่ที่พิจารณามาเนี่ยกี่เรือนเนี่ยเขา้าภาษาไม่คิดคิดหมดเลยไม่ได้อืเดี๋ยวอาจารย์ก็เป็นทุกข์สินะเนี่ยอาจารย์ก็ไปทุกข์ดูทางนี้ก็ไม่ได้ทางนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็ทิ้งกับปานั่นไม่เอาอปฏิบัติ มันขุดเพชรในหินเพชรก็แข็งหินมันก็แข็งแต่เพชรมันตังอยู่ในหินเราต้องการเพชรมันมีราคามากจะต้องเอาไปขุดเอาเพชรแต่ว่างทงที่เราขุดมันก็หินเหมือนกันแต่เพชรมันก็ฝังอยู่ในหินนั่นีอมันลำบากไค่หน่อยหนึ่งถ้าทาไม่ถูกมันลำบากแค่หน่อยหนึืมก็คือเราคิดผิดกันนแะคิดผิดคือเราคิดอย่างนี้น่ี่เรามันเป็นทุกข์ ไม่ควรเป็นจิตไม่เป็นทุกข์เราไปหาเรื่องสะทอืมจิตเราไ ม, ไ, มไม่ไม่สบายโง่จิตเขาไม่เป็นอะไรเขาสบายเนี่ยทีนี้เราจะขุดเอาเพชรในหินเพชรมันก็แข็งหินมันก็แข็งแต่มันฝังอยู่ในดินนี่ก็หาความสงบเหมือนกันนเราถ้าไม่ถูกมันก็นึกว่ามันเป็นเพราะจิตเราไม่สบาย <S <S เพราะเป็นอนุ้นเพราะเป็นอันนี้เพราะมันเปลี่ยนอากาศเพราะมันเป็นอาหาร ก็เป็นก็อะไรได้หลายอย่างเอมันคิดผิดคิดผิดนี่เรียกว่าเราจะขุดเอาเพชรในหินมาได้จะเอาจอบอย่างดีที่สุดใชมัหมแข็งกว่าเพชรแข็งกว่าหินอีกขุดตรงในหินนี่มันเจอเพช ร, พชรอันนี้คุณมันกันฉันนั้นอันนี้เอาความเห็นผิดออกแค่แล้วโยงไปเครื่องอันนี้ขุดไหมด้งนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาไปขุดเอาปากเป่าก็แยกกัเลยไม่ต้องมาหัดอก ถ้ามีความเห็นถูกแล้วไม่มีอะไรอันนี้เห็นผิดความเห็นผิดยิ่งเห็นยี่คิดยินทุกข์ที่นี่ขอให้หกลับมาที่ตั้งตนใหม่ตั้งต้นออกจากจิตหลวงพ่อสอนมาไม่มีอะไรมันจะมาทุกข์คิดเขาก็ไม่เป็นอะไรอืมคิดไม่เป็นอะไรมันมันเป็นทุกข์ไม่ใช่จิตของเราเป็นทุกข์ไอ้ความคิดผิดคือขิ้ดยทั้งหลายนั้นมันเป็นทุกข์รวมจริงจริงมันสว่า สบายสบายสบายอันนี้ถ้าเห็นว่าจิตมันเป็นอย่างโน้นจิตมันเป็นคิดไม่เป็นอะไรนี่ว่าจิตเป็นบ้าเราเป็นบ้าเองของเราเนี่ถ้าเราคิดอย่างนี้เรา ไ, ไอเครื่องมือขุดเพชรดีที่สุดแท้ขุดได้หีนแสนขนาดไหนเป็นร้อนก็ขุดได้จะได้เพชรได้ชายการปฏิบัตินี้เพราะมันการฉันนั้นเดี๋ยวโยมมันไปคิดไปไกลมากอย่าคิดถึงบ้านะคิดถึงอะไรหลาๆอย่างไอความคิดหนึ่งมันไม่ใจปัญญามันโง่ที่สุดแล้ว ถ้ามันมีปัญญาดีคิดมาป่านนี้โอ้ยมันสําเร็จอรหันตรีระันอันี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นเนี่ยเนี่ยเอาเดีมาเจาะดูสิมีแต่ของบุ่นวายเท่านั้นอย่าง น, น, นี้ไม่เจอของดีหรอกไม่เจอเพชรหรอกขุดลงไปสิไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีเลยเพราะคิดผิดเท่านั้นให้เข้าใจใหม่นะให้เข้าใจใหม่ที่บริโภคอาหารพอดีสมควรพอดีปล่อยให้มันสบายจะไปตึงมันมาก ปล่อยวางสบายหายใจสบาเดินสบาดูสบเดินก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธิอะไรเป็สมาธิทำไมเขาคิดถูกแล้วมันจะไปทําอะไรมันผิดไม่มีปัญญาจะไปทํามันผิดเนี่ยนะเขาดีแล้วไอ้ความคิดเดยวยังไม่ดีดหนึ่งจร่งจิเทศเดี๋ยาไปว่าเขาเลยเราเห็นผิดเล้วนีน่ถ้าอจาจารมาจะเจ้าหน้าที่จะจับคนคนนี้จะไปเขาตารางตลอดชีวิตจะหาโทษให้เขาเนี่ย จะแคงในฝันใหญ่เนาะทุกวันคงจะยิมม้มง่ายๆนะอืมอืมกวหลายหลวงพ่อเรื่องอาหารไม่มองแอดหน้าขางเขาก็นาหลวง พ, พ่อปวดคงจะเชื่อมอ่ะอะไรคือมันเรื่องอาหารเขามันทับสนแล้วก็อยากใส่กินมีความรู้สึกว่ามันไม่ัวทีนี้แล้วก็จะเป็นที่เหลได้จะเป็นปัญหาเพื่อจะเป็น ตอนเรียงชีวิตของตนมันจะเป็นประโยชน์อะไรไหมกินอาหารชนิดไหนดีไหมเกิดมาต้องไปกินอาหารนี่นี่เกิดมากินอาหารหรือเปล่า Thank you. We born h a e you a t e f นอะ ไ, ไ, ไปดูถูกอาหารทำไมล่ะเห็นไสเดือนหมไสเดื อ, ม น, อนมันขึ้นเห็นไหมเห็นนะ อ้ น, นีไอ้ความคิดเนี่ยมันไม่ไมถึงใส่เดือนเลยมั้งเนี่ย <laughs> ใสเ่เดือนมีความคิดดีกว่า <laughs> <c oughs> ส่งดามันไปไเรื่อยๆเนี่ย <c oughs> ปลา ส, <c oughs> สัตว์ทุกชนิตอยู่ด้ อ, อาหารธรรมดาดักใหญ่กันอยู่ด้ อ, อาหาร คนมมีอาหารกินทุกที่ทุกอะไรในเหมือนกับคนที่ใน ม, มีอาหารกินทุกชนิดเราควรพิจารณาอาหารอาหารทุกอย่างอืมจะเป็นของหยาบและเป็นของตันนอะไรครับทาโศกเขาบริโภคกันเลี้ยงอาหารเลี้ยงนั่งกายค น, นนี้ก็ควรรับประทานอย่างนั้นอืมนี้ไม่ได้เราพยายามทํา อาหารนี่ฉันรับให้ชีวิตสัตว์เห็นอยู่ดวงเห็นสัตว์ตายมันวิ่งไหมสัตว์มันตายวิ่งไม่เห็นไหมสัตว์ตายแล้วมันวิ่งเห็นมีไหมสัตว์ที่ตายแล้วมันวิ่งไปได้มันเห็นไหมนั่นมันขาดอาหารสัตว์เจนเจนทุกชนิดแม้แต่ตุกแก่มันยังกินอาหารนี่มันก็ร้องได้มันไปได้คนเราทุก ชีวิตจะต้องอาศัยอาหารเป็นอยู่การทาชั่วก็มีอาหารเลี้ยงจะทําดีก็มีอาหารเลี้ยงไว้เป็นอยู่แต่ทาชั่วทําดีเนี่ยก็เพราะปัญญาของสัตว์เท่านั้นแต่อาหารเนี่ยเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเลยมันจะเป็นมหาโจรอาหารนี่ก็เลี้ยงชีวไว้จะเป็นพระพุทธเจ้าอาหารนี่ก็เลี้ยงไว้อาหารนี่คือคือนายแพทย่โรงพยาบาล มันจะไปขโมยยิงกันต้องมาเอามาโรงพยาบาลนังพยาบาลต้องสะแผลต้องทําผิดยาเรียบร้อยเรื่องคนยิงมาเป็นเรื่องต่างหากเรื่องหมอแพทย์เรื่องพยาบาลต้องรักษาดีๆมันจะไปโต้ยังไงมาเขาต้องทำให้มันดีๆอย่างนั้นเรื่องอาหารเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราไม่มเราไม่ทานอาหารเนี่ยผิดนี่ติอาหารเรียงไหวยึดเัาจะสร้างความดีสมชั่วได้จะสร้างความชั่วเพราะผลหลง คนหงอาหารนีม่มันก็เลี่ยงได้งหมือนกคนรู้อาหารก็เลี่ยงไว้เขามีหน้าที่เลี่ยงร่างกายแบบนั้นไม่จะทำไมาเลี่ยงแบบไปเป็นโจร ไ, ไปเป็นนักปลารที่ใส่อย่างนั้นเขาเลี่ยงให้ได้ใส่องนั้นอาหารนีคร่คว ร, รควรแต่รับประทานควรจะบริโภคไว้อย่างนั้นก็แปลกคนนะพีอมีคนคนึงเป็นพระอยู่ในภูเขานี่ พิจารณาอาหารเลยปฏิคูณทัานยาพิจารณาอาหารเอาเข้าวใสบาตรนพิจารณาอาหารพิจารณาไปไปมันตกเกินไปปกติ้ะอาหารก็เป็นขี้ขี้จะเป็นอาหารไม่ดูไม่ได้เลยได้ขี้ไม่ได้กินขี้นะเออเออกินขี้ถึงงั้นเนียมันเสียงมันตกเกินไปมันใช่ไม่ได้อืม เดือกินไม่ได้เลยไอไอตุ ก, กประสาทอย่าง น, นั้นสี่สิบวันเลยที่สิบวันกินข้าวไม่ได้มองเข้ไปในอาหารขี้ทั้งนั้นมองไปในท้องขี้เนอะมันเกินไปเสียไปต้องมาพยาพยามาพยายามไม่ทํางานพยายามได้ได้อย่างแค่พอมองเห็นได้เองเห็นอาหารก็เป็นอาหารเห็นข้าวเป็นข้าวในปกติเดี๋ยวก็มาฉันข้าวโดยปกติธรรมดาดีขึ้นมาดีๆ น, น, นี่มันจริงใจอย่างนี้ โยมจะไปดูถูกอาหารไม่ได้เนบาปเลยอืมันจะอาหารบอกบาปเรามันบาปมันจะตายโยมต้องลองก็เนี่ยเออดูพิจารณาอาหารพระพุทธองค์ก็ให้พิจารณาอาหารถ้าเรียบริุณสัญญาให้พิจารณาอาหารนี้อเราจะทานอาหารไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ถ้าจะอยู่ไปจนมันๆกาจัดเวทนาเก่า คือมันทุกวิถีนาเกา่ามันทุกมันหิวอาหารอันไปเวียนนาไปห้ามไม่ให้วิถนาเก่าเกิดขึ้นอืมให้มันดับไปแล้วห้ามวิีนาใหม่ที่ยังเกิดใหมเกิดขึ้นเราอยู่ไปได้โดยปกตินี่แค่ก่อนเป็นดับมันกายกายกับจิตเป็นคู่กันไปอืมถ้าเราไปให้โทษจะจิต อ, อย่างเดียวจิตสุกกระปลกอย่างเงี้ยนี่นก็ไม่ดีนะอืม แต่ว่ากายเนี่ยมันไม่ดีก็ไม่ได้มันต้องอาศัยสิ่งกันเลียกันทางกายทางจิตทางกายทางจิตทางรูปทางรูปนามสองอย่างนี้ต้องอาศัยกันไปจนไปถึงนูนไปถึงนู่นอะ ถ, ถึงปณิพานมันจึงจะกลับเว้ยถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าอง์เราก็ยังพยายามฉันยัหนันอยู่อาศัยมันอย่างนี้เรายังจะอยู่ก็ต้องทําอย่างนั้น เงี้ยไปเองฉันมีเกี่ยวข้องอาหารเป็นเรื่องเล็กตายในระวังหนึ่งเนึ่ยตายเดนี้อยากไปพูดเดี๋นี้หลายคนอืสอบวันนี้ต้องทานอาหารนะมันจะโทษปฏิบัติไม่ไม่ถึงความสงบล่อย่างเงี้ยต้องไปคอยไปด้วยกันต้องฉันจังหารฉันอาหารจะเก็นยังไงอยู่มืองนอก เขาก็นอาหารฝรั่งอยางนั้นเนียบ า, นบามองคายกเก็นอาหารไทยสายเนี่ย้มาเมืองไทย้นอาหารเมืองไทยเป็นฝรนนั่งเงี้ยมันก็ะจายันฝรั่งไปเดือเลยกินไปกินไปสบายพระท่านอยู่มานี่เงคนมีปัญญาปฏิบัติตามชาครูนะลองลองดูนะทดลองยังไลยังไงก็ ทุกมากเคยร้องไห้ไหมน้ําตาออกไหลออกมี้หมมีไหมเออดีแต่มันออกให้มันหมดซะ <laughs> ถ้าน้ำมันไม่หมดมันไม่หายทุกข์หรอกให้มันออกให้มันหมดทีหลังมันหมดก็ไม่มีน้ําไม่มีน้ําตาแล้ยก็สบายอ ย, า <laughs> อยู่บ้านเราเคยมีความทุกข์อย่างนี้หรือเปล่าเคยมีนะ เพราะอะไรมันถึงทุกอย่างนั้นอยู่บ้านมเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรมันถึงทุกอย่างนั้นอยู่บ้านวันนี้คงกลับไปไปทำอย่างนี้อยู่บ้านคงจะไม่ทุกเนาะกลับไปบ้านไปบวชเป็นชีอยู่บ้านนี้คงจะไม่ทุกเหรหมเนอจะเป็นเงินไปมันได้ไหมอย่างนี้ยะถ้าเราอยู่บ้านเราคงจะไม่ทุกอย่างนี้มหรอไหเราแต่เรจะอยู่ที่ไหนะอือ สมมติว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปอยู่อย่างนี้อยู่ในกุงเงินดอนเขาคงจะมีทุกข์อย่างเนี้ยมั้จะเป็นไปได้ไหมงั้นไม่หรแม่นี่ไมันเป็นเพระาะอะไรเนาะใจเป็นคณะว่าดูเคยทุกข์อย่างนี้เปล่าแต่ยังไม่บวชอยู่พระอวานเป็นทุกข์อย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าใเคยเปเคยเป็นเนี่ยอืเป็นไม่มากไงเป็นนิดหน่อยแหละ เป็นหลายวันมั้ยก็จำไม่ได้ครับแต<แ>่มันจะนานพอสมควรแล้วก็อพอดีไปหั่งจำชั้นแม่ก็พบตั้มที่นั่นเ ล, เลยหายเลยหายโกงหกอีกแหละแล้วนี้มันเกิดเหตุเหร อ, อตกลงว่าวันนี้น้อพอ่อมันมีโอกาสมากพูดแค่นี้ก็เป็นสี่สิบนาเอางี้ก่อนไม่มต้องไปนั่ง กำหนดของมันตายอยู่่นีอ่อย่าไปทำเลยปล่อยวางมันธรรมดาอยู่เป็นคนธรรมดาเช่นก่อนงั้นกระเพ้าของเรามันส ก, กปรกที่มันชกกระปรกก็เพราะว่ามันไม่สะอาดถ้ามันไม่สะอาดจะไปย้อมสีอะไรมันก็ไม่สวยมันส ก, กปรกแล้วบัดนี้เอาภาสไปพอกพนระธนชาตศาสาดเป็นปกติเราจะไปรับ สีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้สบายสะดวกนี่ก็เหมือนกันวางจิตเป็นปกติไปเเฉยใช่อือทันิพานก็ไม่ไปมันนรกก็ไม่ไปมันสวรรคก็ไม่ไปมันนะฉันจะอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาอย่างนี้คิดอย่างนี้ไหวในใจเราเช่ก่อนเดินไปกับที่ธรรมดาพอนั่งสมาธิเพิ่มพอสมควรแล้นนวมันสบายมไม่ต้องอ่อยมันนานเนาะน้ำค้างเราอยู่ซะก่อนธรมดธรรมดา อยู่ธรรมดาไอา้ธรรมดานี่เป็นไปก่อนทําไปอย่างนี้เดี๋ยวปัญญาเขาจะมาทางหลังเขาจะค่อยตามมาแล้วนะ<ฤ>เดี๋ยวปัญญาเขาจะตามมาเงื่อนกันกับเราไปพบปัญหาอันนี้มันไปอู้มันเป็นทุกข์หรออยู่นั่นอยู่นั่นแหละเดีเ๋ยวปัญญาเขาจะมาเราต้องทำอย่านนต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นเพื่แก้ปัญหาช่วยเร า, าเพราะการอดทนเป็นบทบาทของการอดทนเลยก่อนดิอดทนไว้ อันนี้ก็มันการจะมันทุกว่าอดทนไว้อย่าปล่อยเป็นธรรมดาไว้เนี่ยปัญญาก็จะมาทีหลังค่อยๆมาเขาจะมาิกค้างไอ้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ค่อยแก้ไปหายไปหายไปดีๆอย่างนี้เมื่อหายไปทุกข์ก็มาเป็นธรรมดาอย่ีกอยู่อย่างนี้เรื่อยไปก่อนนะเอาอย่างนี้นะตลอดฝรรษานะอย่าไปทุกข์อะไรมันเลยทุกข์มันได้ประโยชน์อะไรไม่เปล่ากันเลยรุกข์ถามทีทิตาทุกข์เลยประโยชน์มไหม นี่เจนมันอยากจะร้องไห้อยากจะมันใชรถพัดย่างะมันทุกข์เลยเอาอะไรทำไ ม, มต้องอยู่ธรรมดานะที่นี้นะอยู่ธรรมดาอีถ้าว่าถ้าอยู่ธรรมดาได้นะธรรมาจะขึ้นไปัำอย่างจะฟังหยูฟังโยมโยมฉี ก, กุ้งดอนดอนเป็นไงไหมเขาอยู่ธรรมดาหรือเปล่าเนี่ยจะฟังอยู่ทางโน้นจะค่อยๆมาช่วยให้มันเข้าทางไว้ก่อนนี้ช่วยแล้วมอบให้ชาคราดไว้พรมองสูบไหวคน อะไรเขาดีทุกอย่างเละไม่ดีแต่เราเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ <c oughs> ก, ก, ก็ให้โทษจิตของเราเนี่ยอะไรทุกอย่างมันดีทุกอย่าง <ๆ S 1> ตัวน้อยทุกต้นมันไม่เอาโคนมันขึ้นฟ้าเหรอเห็นไหมมันเอาปลายมันขึ้นฟ้าทุกต้นเขาอยู่ปกติเขาธรรมดาเราไปคิดว่าให้มันเอาปลายมันฝังในดินยังไนเด็กมันไปผิดปกติเท่านั้นเนี่ยเรียงกับเสียประสาทนะ คิดใหม่ที่นี่นะคิดใหม่นะเอาใหม่เนม่ยมาต่างกรุงนันดอนมาต่างหลายไม่หลายโยอดว้จะมาเอาทุกอย่างไงเอาเอาธรรมดากันที่อย่างน้อยกลับไปกรุงนันดอนให้ธรรมดากลับบ้านไม่ให้มาขาดทุนดีอันนี้เป็นงี้ก็เอาขาดทุนกลับบ้านนะนะเข้าใจแล้วนะขึ้นจากนรกนล้วมันตกนรกแล้ว แต่วันนี้ไปขึ้นจากนรกนตกนรกหลายเดือ น, นเนลยนะมันต้องคลานออกจากเข้าคลานออกยัลไมเดี๋ยอยิ่งบ้าคานอคลานออกจากเข้าแนรกได้น้งพ่อพันษานี่ก็ป่วยกับท่านพรรษาเต่ยววะมันป่วยเกีตกายหรอกใจมันอยู่อย่างนี้นะใจมันไม่ปว่วยหรอกใจไม่ตกนรกยอมมาตกนรกันทั้งกายทั้งใจทั้งนั้นเนี่ย น, <laughs> นี่ เข้าใจเออจะไปตกกระโกนะทีเนี้ยนี่เอาเออวันนี้หลวงพ่ออจะไปพักวัดประพง์คงจะพักอยู่หลายวันสักหน่อยมีธุระเล็กๆน้อยๆไปเอาแมฆขาวเม่ชีขึ้นจากนรก <Okay. S 1> ใครตรก ก, ก, กะาาตตระโกก็เอาขึ้นจากนรกถึง่อจะไปมันเม็ชีว่าในชาติชีเนี่ยตกกรกไปสักองค์นี้เอาขึ้นจากโรกก่อนเพืจะไป ยังไม่ชีวัดประกง่จะตกไร้คนก็ไมรู้ไปดูเถก่อนน่าสาทเี้ยนนากันตัวตองอันี้จะ d r a g g i มาชี้าวเราเสีายสามดาวเราเขาจะได้จะสามดาวเราหลพออยากจะให้แม่จีพองโคเกิดร้อนเหมือนกันเลน่อยเขาคงใ้เขาก็ไม่เป็นไรได้ทั้งบ้าน ขัดของมากทัแม่ก็พยายามข่าตัวตายาะไม่สบายเรื่องลูกมาบวชอะ่นีที่มา บ, บวชไม่ได้บอกก็ไม่ได้บวกไม่ได้บอกอบอกแต่ไม่บอกมันใครๆกจะจะอยู่วัดแต่ไม่ได้บอกจะบนชแต่แาของรู้จักแต่พแม่เป็นชาวอิสลามรังเกียสอี้มันเป็นพรความโง่ของคนไว้ <c oughs> จะทำไง กามของสัตว์ถึงทำไงล่ะยังไงอยากจะกลับบ้านยังไงเนี่ยนายก็ไม่อยากกลับนี่จะกลับไปอยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้นหะนานๆแม่ก็มาหรอกอิสลามมาเอะมหาพุทธเถอะ <laughs> คุทจะพูดให้ฟังให้ <laughs> อิสลามมาหาหน่อดีกว่าอยู่นี่แหละถ้าแม่รักก็จริงๆเดี๋วมามามาแย่งเดี๋ยวมาลบกันอยู่ได้ที่เลยไอ้โต๊ะมังกรเสร็จมากเล พ่อแม่ของพระพุทธเจ้านั้นยินดีใจกลูกชายบวชมาได้แล้วไม่ไม่ให้ลูกชายบวชแล้วโคชนะนางที่หามายานพ่อแม่ของพระพุทธเจ้านี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อาไม่อยากให้บวชไม่มียินดีแต่พระพุทธองค์พระอเห็นดีแล้วแต่เป็นางมันแน่แล้วแต่ก็มาบวชพ่อแม่ร้องให้พูดวายทั้นัแต่แต่กาทำเชยญนี่ทำดีวายเนี่ยก็พ่อก็แม่ เดี้ยวก็แม่ก็ไ ม, ม, ม่เดี๋ยวใครใครก็ไม่เดี๋ยวเมียก็ไม่ <laughs> เดี๋ยวดูชายวัหมดเลยกลัวไหมันเป็นมาเมนูแล้วเป็นีในเวลานี้เขายังมาเห็นเจ้านี้ถ้าแม่มาเนี่ยมาเห็นไม่หลายคนม่หลายคนไม่หลายคนนี่มีก็แปลกเหมือนกันเลยทําไมทําอย่างนี้ก็แปลกเหมือนกันยังจะมาไปไป อังกฤษเหมือกันเนี่ยเขามาดูไปฝรั่งเศสเขก็ามาดูเขามันเคยเห็นคนโกนผมเนี่ยผมยิงเหลืองเนี่ยก็ามาดูวันพ่อมันก็ามาดูพรกอเอาแม่มาดูอีกอรูปมาดูอีกฝรั่งเศสยิยง่งไร้ น, น, น, นูอะไรอะไรอะไรอะไรอยูนนนน่อย่างนี้เป็นธรรมดาของเขามนแคว้นนานก็นนขเขาไปใกล้เขามาใส่จับขาเลยรู้เรื่องขัน้น เดี๋ยวนี้สหรัฐก็ก็มาบางคนกุงนังดอนเขามาก็รั้งเศสเขประมาณมหาวัดประโภหาวัดแต่นมันแปลกเขาเข้ามาดูใช่ปอนบางทีเข้ามาดูก่อนอันนี้เขาเขายังไม่เห็นตาไมเห็นคิดแบบไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี um. oh am, a, ้ไม oh ่ใช่ทุกอย่างอืมทุกอย่างเป็นแต่ความคิดมันยังไม่เห็นอืมยังไม่เห็นอืม อัตมาเหมือนกันจะพูดความจริงฟังหน่ยเหมินนหม่นเนยก็เหมิ่นได้จะอยู่พอฝรั่งหึหึหมินน่นมันเดี๋ยวนี้อร่อยใช่ไเราไปใกลไปทุกทีใกล้ก็ไปทุกทีเม้นตัวเองแล้วมันคิดถึงดีมกันอยู่ <c oughs> <c oughs> ทุกวันต้องเอาต้องเอาให้มากพวกเขาดฝรั่ง น, น้อโนยก่อนอัตมาเนย <c oughs> เ น, ย, เนยแข็งมันยิ่งดีแสแล้วเมันเป็นอย่างนี้ แต่ก่อนได้ยินกลิ่นมันไม่เห็นมันกนเหมือนขีไก่เลยแล้วนี่มันดูใจด้วยชอบเลยเขาในนี้นะมันเป็นอย่างนี้อุปมาอุปมฟังมันเป็นอย่างนั้นอยู่นี่แหละย่าแม่มาหรอกย่าแม่มาตรงนี้อืมเราอืมจําได้ไหมล่ะขยายไหม อืเข้าใจก็เอาไปทําไปปฏิบัติไปค่อยทําอืมถ้าเอาแต่ความเห็นของเรามันทุกข์นิดหนึ่ต้องเอาแต่ความเห็นของพระเลยจริงบางทีมันจะแ บ, บ่งทุกขอ์ออกเอาความเห็นขอายิคิดไปยิ่งคิดไปยิ่งคิดไปยิ่งคิดไปยิ่งทุกข์หนักพราเรามันโง่อยู่แล้วเ <c oughs> พราะเรามันโง่อยูความคิดเรามันก็โง่ก็ไปฟังความโง่โง่โง่ก็โง่ไปตามกันหมดนั่นแหละ ออืให้เข้าใจอย่างนั้นสิยังไงก็เชื่อพระก่อนทิ้หมายก่อนเราทําก่อนเชื่ออย่าไปเชื่อก่อนทํำครั้งแรกมันบางทีก็ไม่เชื่อรไม่เชื่อไม่เชื่อทำก่อนเชื่อพราเข้าใจว่าเรามันในเนืในอนทําก่อนเชื่อก่อนครั้งแรกไม่เชื่ออันที่มากก็ไม่เชื่อแต่ทําก่อนมันทําก่อนเชื่อ นานๆแต่กับปัญญามาตามกับเชื่อเข้าเชื่อเข้าเชื่อเข้าบางคนก็ทําเชื่อก่อนทํำบางคนก็ทําก่อนเชื่อทั้งสองอย่างมีปัญญาไปได้ตรงนั้นเนี่ยเข้าใจสหมตียนยงไงช่วยคนอื่นนั่นหลายชั่วโมงแล้วท่านช่วยคนอื่นนั้นหลายชั่วโมงแล้ว น, นั่งฟังกันสบายการพูดค อ, อมันเป็นไฟเลย นี่คือให้ประโยชน์คนอื่นแล้วประโยชน์ต้นประโยชน์คนอื่นเรายังดันไปคิดที่มันทุกเรื่องนั้นแหละ <c oughs> ต่อไปต้องเคลนจากงานรกขึ้นนะอย่าเอาแล้วยเอาเรจะกลั บ, บวัดตะพงใช่ไหมเอาแล้ว